พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25พิพฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าช่วงเวลาที่ดีคือช่วงที่มีสติ บอกว่าถ้าแบ่งกันดีได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีได้ดีบางคนถ้าแย่งกันดีไม่ได้ดีสักคนถ้าแบ่งกันดีเฉลี่ยกันนะเพราะอยู่ในประเทศชาติเดียวกันอยู่ในวัดเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแบ่งกันแบ่งกันดี ได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีเ่ยมันก็แข่งกีฬาน่ะจะได้ดีทุกคนได้ยังไงเนมาแข่งกีฬาใช่ไมันก็ได้ดีบางคนใช่ถ้าแย่งกันดีน่ยไม่ได้ดีสักคนเหมือนกับเลิยงจะขึ้นต้นไม้ใครจะขึ้นกับลากขาไว้ใครจะขึ้นกับลากขาไว้เอาไปมาเลยขึ้นไม่ได้สักคนเลยไม่ได้ดีสักคนถ้าแย่งกันดี เพรนั้นพวกเราต้องแบ่งกันนะแบ่งกันเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันดีก็จะดีดีทุกคนคนนั้นแต่ทำนั้นคนนี้ทํานี้คนเราอยู่ด้วยกันคือความพร้อมเพียงสามัคคีกันในวัดก็ดีในสํานักงานก็ดีในหมู่บ้านตนําบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติโลกต้องการความพร้อมเพียงสามัคคี คนปัดถนนก็สำคัญคนทำน้ำก็สำคัญคนทำไฟก็สำคัญคนตัดหญ้าทำสวนหย่อมก็สำคัญดูสำคัญหมดทุกคนถ้าขาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาจะรู้สึกเหมืออันนี้ก็เหมือนกันะประเทศชาติบ้านเมืองแบ่งกันแเย ใครทำหน้าที่อะไรก็ให้อาหารและรางวันตามหน้าตามหน้าที่ที่มันหนักหนาจะให้เสมอกันเป็นไปไม่ได้มันต้องแบ่งกันแล้ววันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วคงจะได้เดินทางนะคระับนักทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานพระเนรลูกหลานทุกองนะหลวงพ่อจะได้ไปงาน ครอบรอบโยมพี่สาวทีนิคมคำส้อยโยมพี่เตาที่ท่านมาณะาไปพี่เตาคนนี้ท่านพี่สาวคนนี้ท่านก็ช่วยวัดวาศาสนาช่วยหลวงพ่อเยอะเหมือนกันนะหลวงพ่อสร้างสลาข้างนอกเนี่ยก่อนที่ท่านจะจากไปท่านก็ให้มาทั้งแต่สามล้านน่ะโยมพี่นะ บันนอกบัานนาให้ขนาดนี้หลวงพ่อว่าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่มีลกูกเอาหลานมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้ทกครบรอบมรณะไปหลวงพ่อก็คงจะได้ไปงานครบรอบเขาแต่พี่น้องลูกหลานเขาก็บอกว่าเขาจะทำ ให้ป้าของเขาสาสักสมปีติดต่อกันที่ทําใหญ่หลวงพ่อก็เห็นด้วยเพราะว่าสมบัติที่เขาหามาก็มากพอสมควรที่ให้ลูกให้หลานครอบครองเพราะนั้นหลวงพ่อคงจะได้ไปมุกดาหารออกจากมุกดาหารแล้วก็คงจะวางจีดลเลอรของหลวงพ่อเมืองจังหวัดกาลสิน์เพื่อสร้างเีดีพิพิธภัณฑ์สร้างเีดีนั่นแหละ อาจจะเป็นของหลวงตาด้วยของหลวงพ่อเมืองด้วยทางสร้างจิตใจใหญ่คงจะเป็นหลายเงินเหมือนกันนะท่านก็จะวางสิดาเลิกวันที่ยี่สิพอเสร็จแล้วหลวงพ่อเขาคงจะลงกรุงเทพคราวนี้เดินสายยาวพอสมควรนะลูกหลานแล้วก็คงวันที่1หลวงปู่บุญมีนาคูนเป็นวันเกิดของท่านเขาคงจะมาสวดมนต์แล้วก็วันที่สอง ทำบุญวันเกิดของหลวงปู่บุญมีที่วัดป่านาคูลเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อนะหลวงองคงจะได้มางานวันเกิดของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือพูดล่วงหน้าถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ากันละ่ะนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ากันอันนี้ใครๆ่าพูดพูดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าไม่มีอะไรก็คงจะไปตามที่ได้กะเกณเอาไว้นะแล้ววันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2557อนะวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศหนาว เย็นกว่าทุกวันปีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็ปี57เนี่ยต่อต้นปี58เนี่ยก็วันนี้เราสือว่าจะเย็นกว่าทุกวันคงจะเย็นไปเรื่อยๆนะแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละช่วงชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่ามากที่สุด ในช่วงไหนชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากที่สุดทำยังไงช่วงไหนจึงจะมีคุณค่ามากที่สุดหลวงพ่อบอกว่าไม่มีช่วงไหนที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าช่วงที่มีสติอยู่กับตนเองฟังไว้นะลูกหลานนะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดเวลานั่นละเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งถ้าหากว่าช่วงไหนขาดสติปล่อยปละละเลยขาดสติมากๆแปลว่าออทั้งชีวิตแปลว่าเปล่าประโยชน์เหมือนกับคนเป็นบ้าเนี่ยพวกเราคิดดูนะถ้าคนเป็นบ้าเกิดมาก็เป็นบ้าเลยจะพ้นอยก็ตายไป อายุมากขนาดไหนะแปลว่าชีวิตนั้นเปล่าประโยชน์เพราะว่าคนขาดสตินะถ้าขาดสติเป็นบางครั้งคราวล่ะถ้าดื่มเหล้าดื่มคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนขาดสติแปลว่าเปล่าประโยชน์เป็นช่วงๆเป็นระยะระย ะ, ระยะนะแต่ถ้าว่าคนที่มีสติแต่ก็ยังปล่อย ป, อยป่าละเลยบางทีก็นนะั่นร้องห h o ร้องไห้คิด พี่ตกกังวลเรื่องอะไรแต่ไมีอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ขาดสติอยู่บ้างก็ยังเปล่าประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าว่าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะอย่างพระอรหันต์พระอรหันต์ผู้ที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วเนะี่ยท่านว่ามีสติสมบูรณ์มีสติอยู่กับตัวเองจนตลอดอันนั้นแหะคือคุณค่าแต่ึกยังไงถึงเราทำขนาดนั้นไม่ได้เราก็พยายามทำ ให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดเพราะเรามองเห็นว่าคุณค่าของชีวิตคือมีสติอยู่กับตัวเองได้มากที่สุดนั่นแหละคือคุณค่าของชีวิตเพราะฉะนั้น <c oughs> ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้พิจารณาดูสิที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยถูกต้องไ้ยมีเหตุผลไหมพอจะรับได้ไหม เนี่ยนะการที่จะมีสติสัมปชัญญะกูอยู่กับตนเองได้ตลอดเวลาจะฝึกยังไงเนี่ยมันต้องมีการฝึกเหมือนกันนะอย่างที่เขาจะเป็นนักมวยก็ต้องฝึกซ้อมนะนักกีฬาประเภทไหนก็ตามเ็ต้องฝึกซ้อมแต่ถ้าจะฝึกสติให้อยู่กับตัวเองเนะี่ยจะฝึกยังไงพระพุทธเจ้าท่านกอบเป็นบรมครูท่านก็พาฝึกมา ที่โครนต้นโพแต่ท่านก็คงจะฝึกมากพอสมพวรจนไปศึกษากับดาบทดาลานาบทอุตกระดาบทก็เป็นที่ยอมรับของดาบทท่านทั้งสองว่าสิทธะเนี่ยเป็นฟู้ฝึกในสมาธินี่ได้เร็วแปลเป็นเป็นที่ยอมรับของดาบทไปว่าดาบทสอนยังไงทำได้ทั้งหมด จนถึงก็มอบจะมอบสำนักให้หมอบลูกศิษย์ให้หมอบสำนักให้แต่พระพุทธองค์สิทธัตถะไม่ยังไม่รับเพื่อเข้ามาศึกษาจากท้านท่านก็ถอนตัวออกมาบาเพ็ญอยู่ตามลำพังอพอมาบำเพ็ญอยู่ตามลำพังที่ฝึกหัดสติของพองค์อันดับแรกทำอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือพระองค์ก็ย้อน ไปถึงสมัยกุ ม, มารไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่โคลนต้นว่านั่งขัดสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฝึกหัดสตินล้นาทีนี้นะให้พวกเราฝึกหัดสตินะฝึกยังไงฮะกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่ า, นะ ห, วา ห, งง ห, หายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพระไทยใจของพงรวมสงบแต่สมัยเป็นเด็ก ที่ไปแรกนาขวัญกับพระบิดาที่ไป น, นั่งเป็นนอนไป น, นั่งอยู่โคนต้นว่าพวกสนมกำนันปีกกลีกตัวแต่อย่าลืมนะสมาธิที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยอยู่ตามลําพังอยู่อาศัยด้วยความสงบไม่ใช่อยู่อาศัยอยู่ในความวุ่นวายนะคนนั้นพูดนั้นคนนี้พูดนี่จะจิตสงบเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เรามองดูที่ว่าสิท ธ, ธัฐาน ไปแลกนาขวัญพอไปถึงแล้วพวกสนมกำนันพี่เลี้ยงทั้งหลายปูที่นอนให้สิทธ ะ, ทะก็คงจะตื่นแต่เช้ามึงไปแลกนาขวัญคือคนโบพระเจ้าจุดโทตนะท่านไปแลกนาขวัญไปแลกในท้องนาจริงๆไปไถนาจริงๆท่านมาได้ไถนาแบบเมืองไทยของเราทําเป็นพิธีตัวแลกนาขวัญในท้องสนามหลวง อันนั้นไปท้องนาจริงๆเขจากนั้นเขาเขาเห็นศิตธาเป็นเด็กกําลังต้องการอยากจะนอนเพราะคงตื่นตแต่เช้าเขาก็ไปปูอาสนะปูที่นอนพอตัวยนต์เฝ้าเสร็จแล้วก็เห็นศิตถานอนพวกสนมกนํานานทั้งหลายพี่เลี้ยงหลายกับไปดูพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุดโททนาแลกนาควัญ ก็ปล่อยให้สิทธิ์ท่านสิทธัตถะพระราชกุ ม, มารเนี่ยตัวเด็กๆนอนอยู่ตามลำพังฮะนอนอยู่ตามลำพังที่โคนต้นว่าเน่ยในเมื่อพระองค์นอนอยู่ตามลำพังพระองค์ตื่นขึ้นมาไม่เห็นขนมกำนันไม่เห็นใครเนี่ยมีแต่พระองค์อยู่ตามลาพังคนเดียวพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเลย แต่ละสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยมุมสงบมุมที่ว่างมุมที่ไม่มีคนเพ่นผ่านวุ่นวายเพราะฉะนั้นเวลา ส, สมาธิของสิทธัตถะท่านจึงนั่งหยุดโคลนต้นว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นปไทย ของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนะครั้งแรกของชีวิตของ พ, พระพุทธองค์แต่ทําไมสิท ธ, ธทิ์ฐานยงทําได้อย่างนั้นอันนี้ต้องเป็นอุปนิสัยเก่าแก่อันนี้คือชาติที่เป็นชาติจุดท้ายของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์เคยเป็นลือศีชีภัยบําเพ็ญมาทางนี้มากต่อมากนานต่อนานาจากนี้พระ อ, องค์เมื่อมาถึงจุดหนึ่งน่แหลบุญบา ร, รมีเก่า ความสำนึกในพระไทยและใจของพระองค์ใต้สำนึกของพระองค์นึกขึ้นมาแล้วก็ทําพอทําจิตพระองค์ก็สงบเป็นครั้งแรกจากนั้นพอเสร็จแล้วสนมกํานันพี่เลี้ยงทั้งหลายก็สํานึกได้อาไครอยู่กับพระลูกยาวนะจากนั้นก็กลับมาเหตุแต่พระลูกย่านั่งคัดสมาธิจูตามลําพังนี่แหละ อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกแต่ท่นี้เมื่อ พ, พระพุทองค์บำเพ็ญทั้งหลายสายทั้งหกปีบำเพญ็ญอยู่ที่โคลนต้นว่านบำเพญ็ญทดลองลอ ง, ลองแล้วลองอีกในพุทธประวัติแต่พระองค์ลําลึกถึงสมัยเมื่อเป็นสิทธัตถะเป็นกุ ม, มารนั่งอยู่ที่โครนต้นว่านเอออันนั้นอันนั้นกระมังที่จะเป็นหนทางที่จะ ให้เราไปเดินสู่มักมักผลนะี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ได้เป็นอะไรพุทธนิมิตหรือว่านิมิตหลายๆอย่างก่อนที่พระองค์จะทำทำอย่างนั้นลอยทานบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องที่คําจนเรือว่าเป็นเรื่องที่บอกกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ให้พระพคทธองจะต้องเดินสู่มรรคผลจากนั้นพระองค์ก็ได้นั่งคัดสมาธิอย่างที่โครนต้นโพหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกกาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจนพระไทยใจของโผงรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเนะ่จิตใจเป็นหนึ่ง แน่วแน่่หละจากนั้นเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจผ่านความสงบแล้วจะมาพิจารณาอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเพราะจิตใจผ่านความสงบผ่านผ่านความเป็นหนึ่งถ้าถ้าจิตใจลวนเลโลกเล็กหลุกลิกอยู่แล้วจะมาพิจารณาอันไหนไม่ชัดไม่เจนทั้งนั้นแหละ เ, เพราะนั้นเรื่องอสมาธิ สติอยู่กับตนเองที่จิตที่เป็นสมาธินี่มีคุณค่ามีคุณค่ามหาศาลาปณิขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะฝึกหัดเรื่องสมาธิพระพุทธเจ้าท่านฝึกมาแล้ววิธีเกิดวิธีการฝึกสมาธิทำทำอย่างไรอย่างที่สมัยท่านเป็นพระ ก, กุมารท่านก็พาทำท่านรู้ก็บอกแนวทางไว้ เ, เมื่อพระพรทองค์ได้ตัดสรู้วันเดือนเหเแผ่นพระองค์ก็อยู่ตามลําพังอีกนะปันจวคีทั้งห้าที่เฝ้าดูแลพระพรทธองค์ก็หนีออกไปอยู่เมืองพารานสีนะพระองค์ก็อยู่ตามลําพังอีกนะสรุปแล้วก็คือธรรมะที่จะได้บรรลุธรรมหรือตัดสูธรรมต้องอยู่ในมุมสงบ อยู่ในมุมสงบหลีกเล่นหลีกเล่นอยู่ในมุมสงบหามุมสงบเป็นสถานที่บำเพ็ญ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะต้องดูตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าพาดาเนินอย่างไรพวกเราอจะไปแสงหน้าแสงหลังแสงซ้ายแสงขวาเดินตามแนวแถวของพุทธะนะจากนั้นพ่อแม่กูบายจา์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไร หลวงปู่ท่านก็บอกว่าเนี่ยภู ผ, ผาป่าไม้ไหนที่หลวงปู่มั่นไม่เคยไปคานาดูน้ําตกจุงทองเนี่ยอยู่ทางใกล้ๆเราเนียสมัยนั้นน่ยจะมีหนทางถนนหนทางที่ไหนเมื่อแปดเจ็ดแปดสิบปีให้หลังหกเจ็ดสิบแปดสิบปีให้หลังหลวงปู่มั่นยังขึ้นมันนั่งภาวนาอยู่บนยอดเขาน้ําตกจุงทองนะ อยู่ถ้ำอย่าว่าถ้ำหลวงปูมั่นถ้าหลวงปู่มั่นก็ทั่งทุกวันนี่สมัยนะั้นบ้านนาหมีหนายุงที่หลวงปูมั่นมาภาวนาตามลําพังมาองเดียวอีกต่างหากนี่แหละท่านหลีกเล้นหาความสงบถึงขนาดนั้นละ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้นตระกูลของพวกเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์ลายเสิงช้างเสือไม่ต้องพูดถึงไข้มาลาเรียไม่ต้องพูดถึงยาจะเอาที่ไหนตามมีตามเกิดที่สุด แต่พ่อแม่กูบาอาจารย์ของเราบุกป่าผาดงมาหาภาวนาในสถานที่สงบสงัดในภาคอีสานไปถึงทางภาคเหนืออีกต่างหากแลาหลายแห่งจากนั้นก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เดินตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นอีกแต่ทุกวันนี่อย่างว่าป่าดงผงพายแตกทะลุภูพาไปหมดแล้วเราจะไปเข้าไปในป่าเขากลัว ป่าสงวนห่วงแหนป่าสงวนของเขาอนุรักษ์เขตอรักของเขาเขาก็ไม่อยากจะให้คนเขาไปวุ่นวายนี่แหละพวกเราก็หาความสงบในวัดของเราหลวงพ่อมั่นใจวัดของเราวัดป่านาคำน้อยของเราเนี่ยพันกว่าไร่เราจะไปหามุมไหนอยู่ในวัดของเราได้จะไม่เห็นให้เห็นคนเลยก็ ย, ยังได้ไปอยู่ที่กุฏิที่พั ก, พก ภาวนาทางแต่จงกรมมีน้ำมีน้ำแต่ไม่มีไฟนะแม้ไฟต้องใช้ไฟเทียนแต่น้ำานี่ห้องน้ำห้องท่ามีนี่ละจากนั้นให้ภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หาหมุมสงบมุมไหนสงบเดินยกรมทั้งวันเดินช่วงนี้อากาศดีอีกต่างหากนะอากาศเย็นส บ, บาย เมือนก็อยู่ในห้องแอร์ใหญ่นะอย่างเดียวนี้อยู่ในเหมือนก็ห้องแอร์ใหญ่นะเดี๋ยวนี้นะ เ, เพราะว่าไม่ไม่ร้อนแต่ก็ไม่ถึงกันหนาวมากถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับประมาณ22งองศาฟาเรนไฮตเดี๋ยวนี้22องศาถ้าปิดท่าอยู่ในห้องแอร์นะแต่ถ้าว่าเป็นเดี๋ยวนี้เขาลงเป็น16นะ16องศามุมมุมกว้างนะ แต่ทั้งยังไงก็ตามให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสติอยู่กับตัวเองนั่นหละคุณค่าถ้าขาดสติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งด้อยคุ ณ, ค, ณค่าคุณภาพของชีวิตของพวกเราลงเพราะนั้นให้พวกเราฝึกหัดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินพวกเราจะประสบแต่ความสุขความจเจริญโลกวตสงสารก็อย่างที่พวกเรารูร้เห็น ได้อยู่ในเมืองไทยก็ทำนองถ้้อยู่นอกโลกอีกมุมหนึ่งก็โอ้ถ้าไปมองดูมุมสัตว์ที่ไรฉานสิงโตบวเสือบวอกระทิงสรพรพสัตทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยล้วนแล้วจะมีเป็นพิษเป็นภยัยฆ่ากันกินเป็นอาหารเห็นเห็นแล้วโลกวันนี้มันเป็นโลกที่ยุ่งเหิงวุ่นวาย เป็นภัยมากที่สุดแต่ทํำยังไงเราจึงจะทําตัวของเราให้สั้นที่สุดให้พ้นทุกเร็วที่สุดอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารถ้าเกิดผิดที่ผิดทางถลําไปเกิดอย่างที่เราพวกเราเห็นในสารคดีโลกเนี่ยโอ้หน่าคิดเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะแต่หลวงพ่อก็ น, นานๆได้ดูได้เห็น แต่ถึงยังไงพอได้เห็นแปบปั๊บก็ยังสลดใจว่นโลกนี้มันโลกเต็มไปด้วยเวรด้วยภัยเต็มไปด้วยทุกจ ะ, จะทำยังไงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หนีให้เร็วที่สุด อ, อย่าไปนอนใจแล้วก็ให้บมเพ็ญทางด้านจิตใจให้ชาระกิเลสโลภโกรธหลงออกจากใยจยให้ได้เร็วที่สุดนั่นหละดีที่สุดแต่เราย่าง เห็นโลกใบนี้ว่าเป็นสวรรค์เป็นบ่อหลมมาสุขหรือว่าเป็นความสุขอยู่นะนะอีกสักวันหนึ่งอีกสักช่วงนาทีหนึ่งข้างหน้าเราจะเห็นได้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นพอเห็นแล้วก็เฮมันทุกข์แล้วก็มันกระ่านไปลืมไปอีกล่ะเกิดมาพบหน้าชาติก็หลงอีกพอหลงขึ้นมาอีกพอทุกข์ขึ้นมาอีกเอาน้าตาร้องหน้าล้องห่มร้องอ้ายทุกข์อีก แล้วก็ผ่านไปอีกโดยมากเป็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าวันเรามองให้ทะลุมองทะลุเปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบผู้ไปก่อนเราแล้วกับเปรียบเทียบกับเรากั บ, ก, บกับตัวของเราเราได้เห็นผ่านๆมานะมากต่อมากมันล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกองทุกข์ทางนั้นมีแต่ทุกข์ ก่อนที่ใจจะขาดทุกที่สุดหลวงพ่อดูแล้วช่วยตนเองก็ไม่ได้ขนาดเสล็จพันในคอข่าเสล็จออกคงไม่ได้เพราะหมดกําลังมีแต่ตาลีตะเหลือ ก, กระเสือกกระสนเห็นแล้วไม่น่ามาเกิดจริงๆงควรจะหาทางพ้นทุกตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ท่านวางไว้ที่มาให้มาเกิดนั่นคืออร่อยว่ากิเลสราคะโทสะโมหะ โลภโกรธหลงอะ่ะตัวนี้แหละอยู่ในจิตใจที่ทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดจะทำยังไงจึงจะชำระไดนะ้ก็ตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านได้บอกได้กล่าวตรัสเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรากับแนะนำสั่งสอนอยู่ในเทบใน MP3 สในธรรมะเลขีดของแต่ละองค์ที่ท่าน ได้บอกกล่าวเอาไว้นะพวกเราให้ศึกษานอศึกษาแล้วก็ที่ว่ามั่นใจและลงมือประพฤติปฏิบัติต่อไปหลวงพ่อมั่นใจว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนะให้พวกเราประพฤติปฏิบัติต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร